ขถปณขันตกะ 1. ปาติโมขุดเทสยาจนะว่าด้วยการขอให้ยกปาติโมขึ้นแสดงสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณประสาทในบุพารามของนาวิสาขามิคารมาตาครั้งนั้นในวันอุโบโสถ15บห้าค่ำนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้ว ปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลูกจากอาสนะโฮมอุตราสงชฉวยงบาข้างหนึ่งปรนนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุสง์นั่งนานแล้วพระผู้มีพระภาคโปรดยกปาติโมขึ้นแสดงแก่พิกษุทั้งหลายเถิดเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเมื่อมัชจิมะยามผ่านไปแล้วท่านพระอานุนลุกจากอาสนะคมอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าราตรีผ่านไปแล้วมัชจิมะยามผ่านไปแล้วภิษุสงนั่งนานแล้ว พระผู้มีพระภาคโปรยยกปาติโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สมเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะโฮมอุตราสง่งเฉวงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่า ราตรีผ่านไปแล้วปชิมยามผ่านไปภิกษุสงฆ์นั่งนานแล้วพระผู้มีพระภาคโปรโดยกปาติโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์บริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงใครกันลำดับนั้น ท่านพระมหาโมคลานะมนุษย์การกาหนดจิตภิกษุสงฆ์ที่มีทั้งหมดด้วยจิตของตนได้เห็นบุคคลนั้นผู้ทุศีลมีบาปทำประพฤติไม่เรียบร้อยน่ารังเกียจปกปิดพฤติกรรมไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรมจารีเน่าในเบียดชุ่มเป็นดุดอยากเยื่อนั่งอยู่ท่ากลางภิกษุสงฆ์ ครั้นแล้วจึงเข้าไปหาบุคคล น, นั้นแล้วเรียกกล่าวกับบุคคล น, นั้นดังนี้ว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังว่ากับภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านพระมหาโมคคลานะแม้กล่าวอย่างนี้บุคคล น, นั้นก็ยังนิ่งแม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมคลานะก็เรียกล่าวกับบุคคล น, นั้นดังนี้ว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่าน ท่านไม่มีสั่งว่ากับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองบุคคลนั้นก็ยังนิ่งแม้ครั้งที่สามท่านพระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นดังนี้ว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านท่านไม่มีสั่งว่ากับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคลนั้นก็ยังนิ่งลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะจับแขนบุคคลนั้น ฉุดให้ออกไปนอกซุ้มประตูใส่กลอนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคงที่ประทับครั้นแล้วเรีย ก, กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าให้ผู้นั้นออกไปพ้นแล้วบริสัทบริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดยกปาฏิโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะน่าอัศจรร์จริงโมคลานะ เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยปรากฏโมขบุรุษ ร, รอจนกระทั่งถูกฉุดแขนออกไป 2. มหาสมุทรเทอทัจเริยะว่าด้วยความอัศจรรย์ของมหาสมุทรแปดประการลำดับนั้น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 ข้อที่มหาสมุทรต่าไปโดยลาดับล่าไปโดยลำดั บ, ล, ดด ล, ดบลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันเด้งไปทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 2. น้ำในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งภิกษุทั้งหลายข้อที่น้าในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่ง นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในมหาสมุทรที่พูกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร ม, มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฟั่งจนถึงบนบกทันที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 เงินทองทับทิมแก้วตาแมวภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนสังสิกลาประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมวนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่เจ็ดในมหาสมุทรที่ผู้อสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรแ มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคาละอสูรหน้าคนทันมีลำตัวร้อยยอดบ้างสองร้อยชอดบ้างสามร้อยยอดบ้างสีร้อยยอดบ้างห้าร้อยยอดบ้างภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละ ปลาเตมีติมิงคลระปลามาหาเตมิงคละอสูรหน้าคนทันมีลำตัวร้อยดออยดบ้างสาองโยยดบ้างสา0ร้อยยอดบ้างส0 0ร้อยยอดบ้าง5้าร้อยยอดบ้างนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในมหาสมุทรที่ผู้อสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร สามอิมัสมิงธรรมวินเยอัฏฐเริยะว่าด้วยความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัยแปประการภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่พวกภิกษุพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้เหมือนกันธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการคือ 1. ในธรรมวินัยนี้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 มีการปฏิบัติไปตามลําดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในธรรมวิ น, นัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วตามพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 2. สาวุกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต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 ประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดพฤติกรรมไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารี์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในเปียกชุ่มเป็นดุดอยากเยื่อสง์ก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นสง์ย่อมประชุมกันนําบุคคล น, นั้นออกไปทันทีแม้บุคคล น, นั้นจะนั่งอยู่ในถ้ากลางภิกษุสง์ก็ยังห่างไกลาจากสง์ และสงฆ์ก็ห่างไกลจากบุคคลนั้นเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนโบกทันทีภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลใดทุกศีลมีบาปธรรมประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดพฤติกรรมไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในเบียกชุ่ม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 วันนะสีเหล่านี้คือกริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมรวมเรียกว่าสมณะเชื้อสายศักยะบุตรทั้งสิน้นเหมือนมหาณทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิราวดีสรพูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิม รวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายข้อที่วันณสีเหล่านี้คือกระสัิย์พรามแพทย์สูตรออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมรวมเรียกว่าสมณะเชื้อสายสกยะบุตรนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สีในธรรมวินัยนี้ที่พิสุทั้งหลายพบเห็นแล้ว ต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 5. แม้ถ้าภิกษุจำนวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็ไม่ทำให้นิพานพร่องหรือเต็มได้เหมือนแม่น้ำสายใดายสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำใหมหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่แม้ถ้าภิกษุจานวนมาก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 ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมติรสความหลุดพ้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ในธรรมวินัยที่พรกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้เจ็ดธรรมวินัยนี้มีรัตนมากมีรัตนหลายชนิดคือสติปทาน 4, สส ม, มปทาน4อิทธิบาทส 4, อินรีหภละห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 อินสี่ห้าพละห้าพ่ชงเจ็ดอริยมรรมีองค์แปดนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่เจ็ดในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้แปดธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพธพระสกิทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกิทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิผลพระอระหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคะะอสูรนาคนทันมีลำตัวร้อยยดบ้าง สองโยต์บ้างส0 0ร้อยโยต์บ้างส0 0ร้อยโยต์บ้าง5้าร้อยโยต์บ้างภิกษุทั้งหลายข้อที่รรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพัธพระสกิทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกิทาคามิผลนพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิพ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 เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เปิดนั้นก็จะไม่รัว่ว 4. ปาติโมค่ะสวณนาระหะว่าด้วยผู้ควรฟังปาติโมเรื่องทรงให้ภิกษุ ส, สงฆ์ยกปฏติโมขึ้นแสดงเอง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำอุโบสถไม่ยกปาติโมขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปพวกเธอพึงทำอุโบสถพึงยกปาติโมขึ้นแสดงเองภิกษุทั้งหลายมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่เราจะทาอุโบสถจะยกปาติโมขึ้นแสดงในบริสัทที่ไม่บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวไม่พึงฟังปาติโมกรูปใดฟังต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ ง, งดปาติโมกแกภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนั้นภิกษุทั้งหลายสงพึงงดปาติโมกอย่างนี้ในวันอุโบสถสิ่ค่ำหรือสิบหาค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุมสง์พึงประกาศขึ้นในถ้ำกลางสง์ว่าท่านผู้เจริญ พอสงจงฟังเคราพเจ้าบุคคลชื่อนี้มีอาบัติติดตัวขคาะเจ้าจะงดปาติโมกก่บุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงไม่พึงยกปาติโมขึ้นแสดงปาติโมกเป็นอันงดแล้วเรื่องผู้ภิกษุชาวพัคีงดปาติโมกสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพัคีปรึกษากันว่าใครๆไม่รู้จักพวกเรามีอาบัตติดตัวฟังปาติโมก ภิกษุผู้เถระทั้งหลายผู้รู้วาระจิตของผู้อื่นบอกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายผู้ภิกษุชาวพคีชื่อนี้ชื่อนี้ปรึกษากันว่าใครๆไม่รู้จักพวกเรามีอาบัติติดตัวฟังปาติโมผู้ภิกษุชาวพคีได้ฟังข่าวว่าภิกษุผู้เถระทั้งหลายผู้รู้วาระจิตของผู้อื่นบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ภิกษุชาพัคีชื่อนี้ชื่อนี้ ปรึกษากันว่าใครๆไม่รู้จักพวกเรามีอาบัติติดตัวฟังปาติโมกภิกษุชาพะคีพวกนั้นปรึกษากันว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามจะงดปาติโมกแก่พวกเราก่อนจึงรีบงดปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตําหนิประนามโพธ น, นาว่า เจ้าไนพวกพิกษุชาภคีจึงงดปฏติโม่แก่พิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรเล่าครั้งนั้นแหละพิษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้เปรกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิ ก, ก zit, ษุทั้งหลายทราบว่าผู้พิกษุชาภคีงดปาติโม่แก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติ เพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงงดปฏิโมกกับภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรรูปใดงดต้องอาบัติทุกกฎ ตาเมิกะปาติโมกขัตถปณะว่าด้วยการงดปฏิโมกชอบทำและไม่ชอบทำภิกษุทั้งหลายการงดปฏติโมกไม่ชอบทำหนึ่งอย่างการงดปฏติโมกชอบทำหนึ่งอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำสองอย่างการงดปฏติโมกชอบทำสองอย่างการงดปฏติโมกไม่ชอบทำสามอย่างการงดปฏติโมกชอบทำสามอย่าง การงดปฏิโมกไม่ชอบทำสี่อย่างการงดปฏิโมกชอบทำสี่อย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำห้าอย่างการงดปฏิโมกชอบทำห้าอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำหกอย่างการงดปฏิโมกชอบทำหอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำเจอย่างการงดปฏิโมกชอบทำเจอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำแปอย่าง การงดปฏิโมกชอบทำแปอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำเกอย่างการงดปฏิโมกชอบทำเกอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำ10บอย่างการงดปฏิโมกชอบทำ10บอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำหนึ่งอย่างคืองดปฏิโมกเพราะศีลวิปัติไม่มีมูลนี้เป็นการงดปฏิโมกไม่ชอบทำหนึ่งอย่างการงดปฏิโมกชอบทำหนึ่งอย่างคือ งดปฏิโมกเพราะศีลวิบัติมีมูลนี้เป็นการงดปฏิโมกชอบทํา1อย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำสองอย่างคือ 1. งดปฏิโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูล 2. งดปฏิโมกเพราะอาจารวิบัติไม่มีมูลนี้เป็นการงดปฏิโมกไม่ชอบทํา2อย่างการงดปฏิโมกชอบทํา2อย่างคือ 1. งดปฏิโมกเพราะศีลวิบัติมีมูล 2งดปฏิโมกเพราะอาจาระวิบัติมีมูลนี้เป็นการงดปฏิโมกชอบทำสองอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำสามอย่างคือ 1. นงดปฏิโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูล2องดปฏิโมกเพราะอาจาระวิบัติไม่มีมูล 3. างดปฏิโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลนี้เป like. ็นการงดปฏิโมกไม่ชอบทำสามอย่าง การงดปฏติโมกชอบทำสามอย่างคือ 1. งดปฏติโมกเพราะศิลวิบัติมีมูล 2. งดปฏติโมกเพราะอาจารวิบัติมีมูล 3. งดปฏติโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลนี้เป็นการงดปฏติโมกชอบทำสามอย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสี่อย่างคือ1งดปฏติโมกเพราะศิลวิบัติไม่มีมูล 2งดปฏิโมกเพราะอาจารระวิบัติไม่มีมูล 3. งดปฏิโมกเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูล 5. งดปฏิโมกเพราะอาชีววิบัติไม่มีมูลนี้เป็นการงดปฏิโมกไม่ชอบทำสี่อย่างการงดปฏิโมกชอบทำสี่อย่างคือ 1. งดปฏิโมกเพราะศีลวิบัติมีมูล 2. งดปฏิโมกเพราะอาจาระวิบัติไม่มูล 3. งดปฏิโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล 5. งดปฏิโมเพราะอาชีววิบัติมีมูลนี้เป็นการงดปฏติโมชอบทำสี่อย่างการงดปฏติโมไม่ชอบทำห้อย่างคือ 1. งดปฏิโมเพราะอาบัติปราชิกไม่มีมูล 2. งดปฏิโมเพราะอาบัติสังฆาธิเศตไม่มีมูล 3. งดปฏติโมเพราะอาบัติปาจิตติไม่มีมูล 4งดปาติโมเพราะอาบัตปาติเทศนิยะไม่มีมูล 5. งดปาติโมเพราะอาบัตทุกกฎไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมไม่ชอบทำห้อย่างการงดปฏติโมชอบทำห้อย่างคือ1งดปฏิโมเพราะอาบัตปราชิกมีมูล 2. งดปฏิโมเพราะอาบัตสังคาธิเศตมีมูล 3. งดปาติโมเพราะอาบัตปาจิตติมีมูล 4งดปาติโมกเพราะอาบาัตดปาติเทศนิยะมีมูล 5. งดปาติโมเพราะอา บ, าบาัตดทุกกฎมีมูลนี้เป็นการงดปาติโมชอบทำห้าอย่างการงดปาติโมไม่ชอบทำห6อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิปัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสองดปาติโมกเพราะศีลวิบัติไม่มีมูลที่พิกษุน์ทำ 3. งดปฏิโมเพราะอาจารวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ 4. งดปฏิโมเพราะอาจารวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำ 5. งดปฏิโมเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ 6. งดปฏิโมเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำนี้เป็นการงดปฏิโมกไม่ชอบทำหกอย่างการงดปฏิโม่ชอบทำหอย่างคือ หงดปฏิโมเพราะศีลวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสองดปฏิโมเพราะศีลวิบัติมีมูลที่ภิกษุทำสามงดปฏิโมเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสี่งดปฏิโมเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุทำห้งดปฏิโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ งดปฏิโมกเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุธรรมนี้เป็นการงดปฏิโมกชอบทำหกอย่างการงดปฏิโมกไม่ชอบทำเจ็อย่างคือ 1. งดปฏิโมกเพราะอาบัติปราชิกไม่มีมูล 2. งดปฏิโมกเพราะอาบัติสังฆทิเศตไม่มีมูล 3. งดปฏิโมกเพราะอาบัติทุลใจไม่มีมูล 4. งดปาติมโมเพราะอาบัตปาจิตตีไม่มีมูล 5. งดปาติมโมเพราะอาบัตปาติเทศนิยะไม่มีมูล 6. งดปาติมโมเพราะอาบัตทุกกฎไม่มีมูล 7. งดปาติมโมเพราะอาบัตทุพภาสิทธิ pect. ไม่มีมูลนี้เป็นการงดปาติมโมกไม่ชอบทำเจอย่างการงดปาติมโมกชอบทำเจ็อย่างคือ หงดปาติโมเพราะอาบัติปราชิกมีมูล 2. งดปาติโมเพราะอาบัติสังฆาทิเศตมีมูล 3. งดปาติโมเพราะอาบัติทุนละใจมีมูล 4. งดปาติโมเพราะอาบัติปาจิตติมีมูล 5. งดปาติโมเพราะอาบัติปาติเทชนิยะมีมูล 6. งดปาติโมเพราะอาบัติทุกกฏมีมูล งดปาติโมเพราะอาบัตทุภาสิทธิ์มีมูลนี้เป็นการงดปาติโมชอบทำเจ็อย่างการงดปาติโมไม่ชอบทำแปดอย่างคือ1งดปาติโมเพราะศีลวิปัสิทธิ์ไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสองงดปาติโมเพราะศีลวิบัตสิไม่มีมูลที่ภิกษุทำสา 3. งดปาติโมเพราะอาจารวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ 4. งดปาติโมเพราะอาจารวิบัสิไม่มีมูลที่ภิกษุทรรม 5. งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัสิไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำห 6. งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัสิไม่มีมูลที่ภิกษุทรรม 7. งดปาติโมเพราะอาชีววิบัสิไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำแปงดปาติโมเพราะอาชีววิบัสิไม่มีมูลที่ภิกษุทม นี้เป็นการงดปติโมกไม่ชอบทำแปดอย่างการงดปาติโมกชอบทำแปดอย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัตมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 2. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัตมีมูลที่ภิกษุทํา 3. งดปาติโมกเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 4. งดปาติโมกเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํา หงดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 6. งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทํา 7. งดปาติโมเพราะอาชีววิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทํา 8. งดปาติโมเพราะอาชีววิบัติมีมูลที่ภิกษุทํานี้เป็นการงดปาติโมชอบทำแปดอย่างการงดปาติโมไม่ชอบทำเก้อย่าง คือ 1. งดปาติโมเพราะศีลวิปัติไม่มีมูลที่ภิกสุไม่ได้ทำ 2. งดปาติโมเพราะศีลวิปัติไม่มีมูลที่ภิกสุทำ 3. างดปาติโมเพราะศีลวิปัติไม่มีมูลที่ภิกสุทั้งทำและไม่ได้ทำ 4. งดปาติโมเพราะอาจารวิปัติไม่มีมูลที่ภิกสุไม่ได้ทำ 5. งดปาติโมเพราะอาจารวิปัติไม่มีมูลที่ภิษุทำห งดปาติโมเพราะอาจารวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทั้งธทำและไม่ได้ทำเจ็งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำแปดงดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่ภิกษุทำเก้งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลที่พิกษุทั้งทำและไม่ได้ทำนี้เป็นการงดปาติโมไม่ชอบทำเก้อย่าง การงดปาติโมกชอบทำเก้อย่างคือ 1. งดปาติโมกเพราะศีลวิบัตสมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำสองดปาติโมกเพ ร, ะราะศีลวิบัตสมีมูลที่ภิกษุทำสามงดปาติโมกเพ ร, ะเราะศีลวิบัตสมีมูลที่ภิกษุทั้งทำและไม่ได้ทำสีงดปาติโมกเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำ 5งดปาติโมเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุทำห 6. งดปาติโมเพราะอาจารวิบัติมีมูลที่ภิกษุทั้งธทมและไม่ได้ทำเจ็งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุไม่ได้ทำแปดงดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทำเก้งดปาติโมเพราะทิฏฐิวิบัติมีมูลที่ภิกษุทั้งธทำและไม่ได้ทำ นี้เป็นการ ง, งดปาติโมกชอบทำเก้อย่างการงดปาติโมกไม่ชอบทำสิบอย่างคือ 1. นพิกษุผู้เป็นปราชิกไม่นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. ถ้อยคําปรารบผู้เป็นปราชิกไม่ได้ค้างอยู่ 3. ภิกษุผู้บอกคืนศีรษะไม่นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. ถ้อยคําปรารบผู้บอ ก, กคืนศีรษะไม่ได้ค้างอยู่ 5. ภิกษุร่วมสามัคคีที่ชอบธรรม 6. ไม่ค้านสามัคคีที่ชอบธรรม 7. จทอดคําปรารบการค้านสามัคคีที่ชอบธรรมไม่ค้างอยู่ 8. ปภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลวิบัติไม่มีอยู่ 9. กภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติไม่มีอยู่สิ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 ทอยคำปรารบผู้บอกระนิศขาด้กค้างอยู่ห้ากษุไม่เข้าร่วมสมคีที่ชอบทาหก 6. ภิกษุค้านสมคีที่ชอบทำเจ็ดทอยคำปรารบการคานสมคีที่ชอบทาค้างอยู่แปิพษทุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลวิบัตมีอยู่เก้าพุุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยิน และมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจจะระวิบัตมีอยู่ 10. ภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัตมีอยู่นี้เป็นการงดปฏิโมกชอบทำสิบอย่าง